ตะวันโพสัคืนแม้ยาวนานแต่มันจะผ่านไปเมื่อวานฟ้าสดใสวันนี้ Toro